พวกเธอโงกเขาไม่ฉลาดไม่รู้สิ่งที่ควรหรือไม่ควรบรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันกำนิยปรานามโพนทนาว่าฉนันพวกภิกษุณีจึงบวชให้กุมารีอายุครบ2ี่ปีแต่ยังไม่ได้ศึกษาศิกขาในธรรมหข้อตลอดสองปีแล้วครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุได้นาเรื่องนี้